ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันทิตย์เป็นเวลาเปิดสถานีเป็นรายการแรกของทางสถานีโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอาภีปุนโนจากวัดป่าดนอนไหโ่โศกมาพบับพูดคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ คือว่าสิ่งที่ต้องทาความเข้าใจก็มีในเนื้อหาของธรรมะที่เรามาบอกมาสอนที่เราบอกสอนนั้นสิ่งที่ต้องละออกไปก็มีอย่างเช่นบวกตัญหาอาวิชชาเรื่องของอากุศลธรรมทั้งหลายพอรู้แล้วทราบแล้วว่านี่มันไม่ดีเป็นธรรมะที่ไม่ดีเราก็ละธรรมะนั้นเสียธรรมะส่วนที่ต้องทำให้มันเกิดมีทำให้แจ้งทำให้มันถึงให้ได้ธรรมะส่วนแบบนั้นก็มี นั่นก็คือเรื่องของความดับทุกข์นิโรธหรือนิพพานธรรมะส่วนที่จะต้องทำให้บ่อยๆทาไม่มากทาอยู่อย่างต่อนเนื่องทำให้เจริญก็มีนั่นก็เรียกว่าเรื่องของอริยมรรคทางดาเนินคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นหมวดไหนๆบางครั้งบางทีเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจากบุคคลในบุคคลหนึ่ง แต่เราเห็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่เข้าอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสอย่างเช่นแต่เราเห็นเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมเห็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยตัณหากิเลสกามเราเห็นแล้วเรารู้แล้วโอวันนี้ควรละหรือถ้ามันเกิดขึ้นในใจของเราก็ให้ทราบไปเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรละหรือว่าถ้าเราเห็นเรื่องที่เป็นไปในทางกุศลเรื่องดีเรื่องงาม เรื่องของการให้ทานบ้างเรื่องของการทำบุญทำกุศลรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาที่ไหนที่ใดก็ให้รู้ไว้เลยว่าโอ้อันนี้เป็นสิ่งดีบางทีเราเห็นแท็กซี่เขาคืนของให้กับเจ้าของหรือว่าเห็นคนที่เขาช่วยเหลือการงานมีจิตอาสาให้รู้ไว้ว่าตรงนี้คือสิ่งที่ควรทำไปมากๆเป็นเรื่องของมรรคเป็นเรื่องของทางที่ให้ถึงความถัดถูกเป็นต้น ฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ในสอย่างนี้ความรู้ในธรรมะที่ควรทำความเข้าใจความรู้ในธรรมะที่ควรละความรู้ในธรรมะที่ควรทำให้แจ้งความรู้ในธรรมะที่ควรทำให้ม่มากๆความรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าสมาธิิเป็นความเห็นเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องวันนี้ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูปิษข้าพเจ้าก็จึงต้องการจะ อธิบ า, ายในเรื่องราวหมวดของธรรมะที่ควรทาให้เจริญคือส่วนที่สีนั่นเองตรงนี้คือข้อปฏิบัติอันหนึง่งคือพระุชธาของเราในสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์แต่เคยเป็นพระราชาหมากษัตริย์บ้างเป็นนักบวชบ้างเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆบ้างเป็นเทวดาบ้างตกนรกก็เคยไปแต่เคยเป็นไปมาหมดแต่ละชาติแต่ละโพธิี ได้เป็นไปนนั้ก็เพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีในการที่จะบ่มพทธิยา น, นให้มีความสุขให้มีความสําเร็จตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านับรู้สัมมาสัมพทธิย า, าณเพราะในกระบวนการการบ่มพุธิยาณเนี่ยถึงในความเป็นโพธิสัตว์ก็จะต้องหาบริวาลไปด้วยบริบาลในการที่จะไปตรัสรู้พร้อมด้วยกัน การที่จะหาบริวาร น, นั้นก็จะต้องมีข้อปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งหรือว่าเป็นแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ของโพธิสัตว์แต่มันจะไม่เหมือนกับสาวกที่หวังการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวคือถ้าเป็นโพธิสัตว์แล้วเนี่ยก็จะต้องมีลูกเล่นมีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอะไรบางอย่างที่จะให้เกิดมีบริวารเป็นกลุ่มเป็นพวกของตัวเองแต่เป็นลักษณะที่โพธิสัตว์เขาจะต้องทำหนึ่งในอย่างนั้นก็คือกัลยาณวัตร นั่นข้อปฏิบัติอันดีมีในสวัยหนึ่งที่พระเจ้านั้นเคยเกิดเป็นพระราชาแล้วก็มีข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่เขาใช้คาว่ากาลยานวัตรหมายความว่าพอมีอายุมากขึ้นไปมากขึ้นไปนนเป็นพระราชาเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอผมงอกในบนศีรษะของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอผมงอกนะก็ให้สละราชสมบัติซะสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็เจริญโภคภิญญ์สี่อยู่ในป่า นจนตายไปนี่คือเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่สั่งลูกสั่งหลานให้ทำไว้แต่บางคนอาจจะเคยมีข้อปฏิบัติเหล่านี้ที่มารดาบิดาสั่งให้ทำแต่ในสมัยพุทธกาลเขาก็มีเศรษฐีคนหนึ่งสั่งลูกไว้นะให้กราบทิศนะลูกแต่นะกราบไปทิศข้างหน้าทิศข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างล่างแต่นะกราบที่ไปอย่างนี้บอกว่านี่เป็นกัลยาณวัดที่พ่อบอกให้สอนให้ลูกทา หรือป้าบางคนก็สั่งสอนให้เป็นกัลยะาณวัตรในชนิดที่ว่าออกจากบ้านนะอย่าให้โดนแดดกลับเข้ามาบ้านก็อย่าให้โดนแด ด, าา อ, ย ด, แ ด, ดอย่างนี้ก็เป็นกัลยะาณวัตรที่มาดาบิดามื่อเป็นมรดกหรือเ่าสั่งเสียไว้แต่ทีนี้เราก็ต้องแปลให้ถูกนะั่นต้องฟังว่าแต่ละอย่างแต่ละแบบมีความหมายอย่างไรอย่างกรณีของโพธิชัด ท, ที่สั่งลูกชายคนโตไว้ว่าเมื่อไหรก็ตามที่ครองราชแล้ว เจอปมงอกนะให้สระราชสมบัตินะแล้วออกบวชเจริญพรหมิหารสี่อย่างเงี้ยในจุดประสงค์ตรงนี้อันนี้คําสั่งนี้ค่อนข้างชัดเจนในเพื่อที่จะให้หลีออกจากกามเ อ, อิ้ออิ่มเพียบพร้อมด้วยการบุคคลมามากพอแล้วเราก็เจริญความสุขในะที่เกิดจากการที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามบ้างอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัตินะที่เห็นได้ชัดเจนข้อปฏบิบัติบางอย่างก็ไม่เห็นได้ชัดเจนนะผู้ฟังอย่างกรณีของเศรษฐี คนที่บอกลูกให้กราบทิศอย่างเงี้ยแต่กราบไปทิศข้างหน้าข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างล่างลูกก็เข้าใจไปว่าเฮ้ยงานจ้าจะต้องกราบ3ทีแต่ด้วยท่าเบญจางขับปดิดแต่ตอนเช้าๆตื่นมาปุ๊บ ก, กราบที่ก่อนแตนะเข้าใจไปอย่างนั้นนะซึ่งความหมายเพิ่งลึกในเรื่องนี้แต่ก็มีแยกแยะ ก, ก, กันไปพระเจ้าก็เคยเฉลยให้ว่าคําว่ากราบคําความครบรอเนี่ยเป็นแนงทางทีต่ ต, ต่างๆๆเนี่ยคำว่าทําความครบรอตรงนี้ไม่ใช่กราบแบบกราบเบญจางขับปิด แต่ให้รู้จักรักษาหน้าที่5อย่างในแต่ละทิศทางนั้นันทิศเบื้องหน้าคือบรรดาบิดาทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังคือบุตรภรยาทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรสหายทิศเบื้องร่างคือทาตกรรมกรทิศเบื้องบนคือสมณพราหมอย่างนี้เปน็นต้นเพื่อที่จะให้รู้จักรักษาทิศเข้าใจความหมายเบื้องลึกหรือพ่อที่บอกกับลูกว่าตอนเช้าออกไปทํางานอย่าให้โดนแดดตอนกลับเข้ามาบ้านหลังจากทํางาน ก็อย่าให้โดนแดดอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าเราดูผิวเผินหรืนะว่าเฮ้ตอนเช้าออกไปทํางานนี่ต้องเอาผ้าอะไรมาบังคอยระวังไม่ให้ตัวเราโดนแดดถ้าเข้าใจไปผิวเผินก็จะเป็นลักษณะนั้ น, น, นแต่เป็นความหมายเบื้องลึกที่พ่อเนี่ยต้องการบอกลูกว่าตอนเช้าในเวลาที่ให้ออกไปทํางานเนี่ยให้ออกก่อนพระอาทิตย์ขึ้นออกในยามสุดใต้แห่งราตรีแต่ไปทําการทํางานจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงปรุริสว์แล้วก็ไปก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นแต่ตัวมันก็ไม่โดนแดด เวลากลับมาจากที่ทํางานทํางานอะไรต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับหลังจากพระอาทิตย์ตกคือกลับมาในยามแรกอย่งราตรีแต่ก็จะไม่โดนแดดก็ให้เข้าใจความหมายเบื้องลึกอย่างนี้เพราะในเรื่องของคําว่ากัญญาณวัฏนั้นบงังวันนี้จริงๆจะต้องการจะพูดเรื่องนี้เรื่องที่ว่ากัญญาณวัฏว่ากัลญาณวัรที่พระพุทุเจ้าของเราทิ้งไม่ให้คือข้อปฏิบัติอันดีข้อปฏิบัติที่งามที่ทิ้งไว้ให้แล้วเราควรจะต้องปฏิบัติ สืบต่อกันไปควรจะต้องปฏิบัติทําให้มากทําให้เจริญนี่นคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์แอริยมรรคมีองค์แปดคืออะไรธรรมมรรคไปว่าทางทางไปไหนทางไปสู่ที่จะดับตุกทางนี้ประเสรดด้วยแต่ประเสรดเพราะว่าตัวมันเองนั้นแต่มีความดีความงามอยู่ในตัวมันเองเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลเป็นเรื่องของความดีความงามนี่คือตัวมันเองมันดีมันประเสรดตรงนี้อย่างที่หนึ่งแล้วคนไหนก็ตามที่ยังไม่ประเสรดอ่ะที่ยังหนา ยังไม่รู้เรื่องเท่าข้อปฏิบัติอันประเสริฐเหล่านี้นํามาส่งไว้ในใจมาปฏิบัติมาทําแล้วตัวเา้าผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ประเสริฐขึ้นมาของดีๆไปอยู่ที่ไหน น, นมันก็ทําให้สถานที่แห่งนั้นดีขึ้นมาธรรมะดีๆเช่นข้อปฏิบัติอันประเสริฐแอย่างนี้มีอยู่ที่จิตใจดวงไหนจิตใจดวงนั้นก็ดีขึ้นมาสว่ายสบายขึ้นมาประเสริฐขึ้นมานต่นมันประเสริฐตรงนี้อริยะตรงนี้ แล้วก็ประกอบด้วยองค์8ประการเขาใช้คําว่าอริยอาจังคีกำมักอริยะคือประเสริฐมักแปลว่าทางไปสู่ความดับทุกข์มีองค์ประกอบทั้งหมด8อย่างแต่เข้าใจคำว่าองค์ประกอบ8อย่างนี้นิดห น, นึงแต่เหวังว่าคือมันไม่ใช่8เรื่องแต่คือมันมเรื่องเดียวมันไม่ใช่8ทางแต่มันเป็นทางเดียวที่มีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด8อย่างด้วยกันแตคือถ้าเราพูดถึงทาง8ทาง่มันอาจจะไป8 ทิศทางแต่แต่ว่าทาง8ทางนี้ไปทางเดียวกันก็คือไม่ใช่ว่าถนน8เส้นไปคนละทิศละทางไปทิศเหนือใต้ออกตกบนล่าง8ทิศไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไปทิศ ท, ทางเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ถนน8สายแต่ว่าเป็นถนนสายเดียวที่มีองค์ประกอบ8อย่างเจะนึกถึงถนนอย่างถนนราชดำเนินแต่ที่มันมีถนนด้านนอกถนนตรงกลางถนนด้านในอย่างเงี้ยเป็นทางด่วนหรือเป็นทางคู่ขนาน อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นแปดทางลักษณะนั้นแต่เป็นทางเดียวเป็นทางเอกหลวงปู่เจ้าใช้คํานี้ว่าทางเอกที่มีองค์ประกอบอยู่8อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าถนนราชดำเนินเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นถนนที่ดีใช่ไหมก็ต้องมีองค์ประกอบคืออะไรก็ต้องมีส่วนที่แยกระหว่างรถที่มีความเร็วน้อยความเร็วช้ากับรถที่มีความเร็วมากเขาก็จะแบ่งแยกเป็นทางคู่ขนานกับทางด่วนแต่ต้องมีส่วนที่เป็นเกาะกลางถนน่ไว้ให้ ป้องกันอันตรายจากรถฝั่งตรงข้ามต้มีส่วนที่เป็นทางเดินเท้าไว้ให้คนเดินเท้าได้เดินมีที่กั้นถนนระวังไม่รถไปชนคนเดินเท้าแต่ต้องมีแสงสว่างต้องมีร่องระบายน้ําต้องมีระบบตีเส้นจราจรต้องมีป้ายบอกทางแต่ต้องมีไฟเขียวไฟแดงมีทางม้าลายหรือว่าสะพานลอยคนข้ามแต่พวกนี้จะเป็นองค์ประกอบของทางที่มันดีทางที่ว่าเยี่ยม เส้นทางที่ได้มาตรฐานเส้นทางที่ได้มาตรฐานแต่นี่ยังต้องรวมถึงพื้นผิวของถนนด้วยว่าเป็นวัสดุแบบไหนกันน้ํากันแรงกระแทกได้ดีอย่างไรเวลาฝนตกแล้วล้ อ, อยางมากระทบสามารถรีดน้ําได้มากหรือรีดน้ําได้น้อยแต่พวกนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เขาจะต้องคิดทั้งสิน้นเวลาที่เขาจะต้องสร้างถนนหนทางอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับสถานที่ความต้องการด้วย เช่นเดียวกันทั้งผู้ฟังเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นทางอันเอกเป็นทางเดียวที่ประกอบด้วยองค์8อย่างทางนี้จะพาเราไปสู่ที่ที่ไม่มีความทุกข์ที่มันจะดับทุกข์ได้แล้วทางนี้เป็นหนทางที่ประเสริฐใครทําใครใช้จิตใจของคนนั้นก็เป็นอริยะมีความประเสริฐมีความดีความงามขึ้นมาเพราะนั้นเราต้องดูองค์ประกอบของเส้นทางของเราให้ดี เพราะว่าถ้าเส้นทางเรามีองค์ประกอบครบมันก็ไปได้ดีไปได้ถูกต้องสมบูรณ์แต่คือถ้าองค์ประกอบไม่ครบมันอาจจะพาไปทางอื่นทางที่ไม่ใช่เราจะมมาทําความเข้าใจในแต่ละเรื่องแต่ละราวพระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องขององค์ประกอบทั้งหมด8อย่างนี้เอาไว้ว่าได้แก่สมาทิฏิสมาทิฏินี่ก็มีอยู่2ส่วนแต่คือส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเนื่องอยู่กับโลกกับส่วนที่เหนือโลกส่วนที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับโลก ต่าก็คือความเข้าใจที่ว่าบุญมีบาปมีอันนี้เราต้องเข้าใจแต่เราเข้าใจให้ถูกตรงนี้เพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าบุญไม่มีบาปไม่มีมันก็ทําอะไรก็ได้ล่ะคนก็ไม่มีความละอายต่อบาปนะไม่มีการสั่งสมบุญมันก็ไม่ดีไม่ถูกแต่ถ้าเราเข้าใจให้ถูกให้ดีว่าบุญมีบาปมีเราก็สั่งสมบุญเราก็ละบาปอันนี้คือความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งการสั่งสมบุญและการละบาปมันก็ยังทําให้เรายังเนื่องอยู่ในโลกอยู่ หรือาความเข้าใจเรื่องว่าการให้ทานดีมารดาบิดาก็มีแต่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหรือความเข้าใจในลนักษณะนี้ยังก่อให้เกิดบุญยังก่อให้เกิดการสังสมยังก่อให้เกิดความที่จะเกี่ยวเนื่องอยู่ในโลกยังก่อให้เกิดอาศาวะอยู่อันนี้เป็นไปได้แต่ส่วนความเข้าใจอย่างที่สองที่เรียกว่าเป็นส่วนที่เหนือโลกขึ้นไปในเหนือโลกนี่หมายถึงเหนือจากการครอบงําของ ราคาโทสะโมหะที่มันอยู่ในโลกเหนือจากการครอบงําของตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจที่มันจะมารัดรึงราวเหนือจากการครอบงำของความสุขความทุกข์ในที่เวลาบางทีเราเจอเราก็ยังถูกทําให้ลุ่มหลงด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขถูกทําให้ขยักขยั้ด้วยความรู้สึกที่เป็นทุกข์อย่างนี้แล้วเราจะเหนือจากเจ้าการรัดรึงของสิ่งเหล่านี้พระชาใช้คําตรงนี้เขาเรียกว่าโลกุตระคือหมายความว่าเหนือโลกความเข้าใจในระดับเหนือโลกตรงนี้ก็มีก็คือ ความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจสี 4, ่เรารู้ว่าทุกสมุทยัทยนิโรธมากเป็นอย่างไรอันนี้คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตั้งเฝาจะเป็นองค์นําหน้าเพราะว่านอกจากที่เราเข้าใจใ น, ในเรื่องสองเรื่องนี้โลกุตระกับโลกิยาในเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วถ้าเรามีความเข้าใจว่าเออ ส, สัอมมาสังกัปปะคืออะไรมิจฉาสังกัปปะคืออะไรเรารู้เห็นถึงความแตกต่างความเข้าใจตรงนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันและสัมมาสังกัปปะมันคืออะไร สมาสังกับปะก็คือความดําริชอบนั่นเองคือความดําริในการที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามความดําริในการที่จะไม่พยาบาทและความดําริในการที่จะไม่เบียดเบียนเอาละพิจาสังกัปะมันคืออะไรอ่ะพิจารสังกบปะก็ตรงข้ามอะไรตามมาฟังคือความคิดที่มันจะเกี่ยวเนื่องด้วยกามแต่ความดําริความคิดที่เป็นไปในทางกามตาหูจมูกลิ้นกายลุ่มลงไปหรือเพราะความดําริในทางพยาบาทอาฆาตผูกร้ายผูกโกรธ แล้วก็ความดำริในการที่จะมีการเบียดเบียนกันแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋ออันนี้คือมิจฉาสังคปะอันนี้คือสัมมาสังคปะความรู้นั้นก็เป็นสมาธิติแต่สมาธิตินี้ก็ยังเป็นองค์นำหน้าในเรื่องของสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะแล้วก็สัมมากัมมันตะด้วยว่าสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรมิจฉาวาจามิจฉาอาชีวะมิจฉากัมมันตะเป็นอย่างไร แต่ถ้าเรารู้เห็นแยกแยะตรงนี้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ดีอันนี้ดีแต่อันนี้เราก็คือมีสัมมาทิฏฐิคือบางคนมันมันไม่รู้ในะตำฝังบางคนไม่รู้ว่ามิจฉาวาจาคือมิจฉาวาจาแต่บางคนกลับเข้าใจว่ามิจฉาวาจา น, นี่คือเรื่องที่พูดได้พูดดีแต่เช่นคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อชอบปล่อยมุกเล่นตลกบกหฮาเป็นตัวตลกในวงเพื่อนอย่างเงี้ยอะไรก็พูดเล่นขึ้นมาไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงก็พูดเอเพื่อหนุ่มเราะตลกขึ้น นึกคิดว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นตัวตลกของกลุ่มเพื่อนเป็นผู้ที่สร้างความบันเทิงทําให้หมูนะ่คณะมีความเบาใจมีความบันเทิงแต่คิดว่าเป็นเรื่องดีไปซะอีกอันนั้นไม่ใช่นะคือต้องแยกแยะนิดหนึ่งระหว่ังมิชาวาจากับสมาวาจาแต่คือมิชาวาจาคือการพูดโกหกอันนี้ชัดเจนนะเราไม่ควรพูดโกหกแต่ถ้าเรารู้ว่าการไม่โกหกเป็นสิ่งดีอันนี้แปลว่าคุณรู้แล้วว่าสมาวาจาเป็นอย่างไรการที่ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดคำหยาบเนี่ยคำหยาบไี่มีอยู่2ลักษณะคือวาจาที่เป็นชาวเมืองเขาไม่พูดกันเนะ่ยเป็นสมัยภาษาที่กักขระเป็นภาษาที่กักขระฟังแล้วมันหยาบหูแต่นะเป็นคําหยาบอันนี้คือส่วนที่1 ห, หรือส่วนที่สองนะเป็นวาจาที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละมีการใช้ภาษาที่ฟังดูแล้วสุภาพแต่ความหมายมันบาดลึกความหมายมันกระแทกใจความหมายมันเน็บแนมความหมายมันทิ่มแทงแต่นะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นวาจาหยาบเหมือนกัน เรามีความเข้าใจว่าทั้งสองลักษณะเป็นวาจาหยาบเงินเราเว้นขาดจากสิ่งนี้ซะเป็นสัมมาวาจาซะความเข้าใจตรงนี้ของเราก็เป็นสัมมาทิฏฐินี่คือส่วนที่สองของเรื่องวาจาส่วนที่สคือการที่พูดแล้วไม่ให้คนเขาแตกกันแต่ถ้าจะพูดอะไรออกไปจะทำให้คนเขาแตกกันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่เข้าใจว่าฝั่งชั้นฝั่งแกเข้าใจว่าฝั่งนี้ฝั่งโน้นแต่มีความไม่สมักสมานสามเมื่อกี้กันถ้าพูดไปแล้ว แต่จให้ไม่เกิดสิ่งนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวาจาที่ยุยงให้แตกกันหรือว่าเป็นวาจาสอดเสียดแต่วาจาสอดเสียดนี่ไม่ใช่หมายถึงพูดคำหยาบนะไม่ใช่หมายถึงว่าพูดเนบ็นบแนมนะพูดเนบ็บแนมเนี่ยคือวาจาหยาบแต่การพูดยุยงให้แตกกันคือวาจาสอดเสียดหรืออีกภาษาหนึ่งเขาก็าใช้ว่าคือการพูดสับสอแต่ยุยงให้แตกกันแต่ถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ เ, เราเป็นขาดได้อันนั้นก็เป็นสัมมาวาจาเราไม่ทําได้ละมิจาวาจาได้ นี่คือส่วนที่3ส่วนที่4ของเรื่องของวาจานั้นก็คือการพูดเพ้อเจอนั่นเองเวลาที่พูดเพ้อเจอนี่ก็คือการที่พูดแบบไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงอะไรอยู่ๆก็พูดลอยขึ้นมานึกว่าคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงเช่นบางทีเราเห็นเขามาช้าเราก็พูดขึ้นมาเลยว่าคิดว่าเขาจะต้องโกงคิดว่าเขาจะต้องไม่ดีแล้วก็อาจจะรถติดก็ได้การที่พูดขึ้นมาลอยๆโดยที่ยังไม่รู้เหตยุยังไม่รู้ผลคิดเอาเอง อันนี้เข้าข่ายของการพูดเพ้อเจริ์หรือว่าการที่พูดตลกเพื่อให้หมู่เพื่อนตลกแโดยการที่พูดเล่นแต่พูดคําไม่จริงคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่รู้อยู่ว่าเขาไม่ได้เป็นแต่แต่พูดขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนตลกอันนี้ว่าก็เข้าข่ายเป็นบาจารเพ้อเจริอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่สามารถพูดให้มันมีอารมณ์ขันหรือว่าตลกได้แต่สามารถทําได้บางทีเราอารมณ์ขันหรือว่าเรื่องตลกเนี่ยสามารถพูดโดยลักษณะที่ไม่เพ้อเจริ์เได้ ในเช่นเราพูดเรื่องเปิดเรื่องเฉมเบรของตัวเราเองเอาความผิดของตัวเองมาประกาศอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการตลกได้แต่เรื่องของการตลกการหัวเราะและก็ควรทําให้พอประมาณพระบาปุริชาวยเคยลัดไว้อีกที่หนึ่งนะพีฟังบอกว่าการหัวเราะเ อ, อิกอากจนเห็นฟันหรือว่าการที่ตลกปกฮามากเกินไปเนี่ยไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าก็จะมีความนิ่งเป็นปกติหรือว่าอย่างมากก็แค่แย้ม แยมหรือยิ้มตอนนนเองคือ ถ, ถ้าจะมีมุกตลกให้พูดในหมู่เพื่อนฝูงในการพูดที่มีสาระนั้นจะดีกว่าเพราะว่าโทษของการที่มัวแต่พูดเล่นพูดตลกอย่างเดียวเนี่ยมันมีโทษอยู่คือว่าถ้าเราพูดเรื่องอะไรที่มันจริงๆ จ, จังๆเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อเราก็ได้อันนี้ก็มีข้อเสียที่พระพรุชธเจาตเตือนไว้นั่นคือเรื่องของสัมมาวาจาสัมม า, าชีวะนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราเว้นขาดจากมิจฉาอาชีวะแล้วก็ทำสัมมาอาชีวะ มิชชอาชีพคืออะไรแต่คือไม่ใช่อาชีพเจาะจงใดเจาะจงหนึ่งนะคือหมายความว่าอาชีพใดก็ได้ความเป็นอยู่แบบไหนก็ได้จะเป็นแม่บ้านก็ได้จะเป็นอาชีพข้าราชการทหารข้าราชการบุรณะเรือนหรือว่าพ่อค้านนะธุรกิจเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์ได้ทั้งสิ้นถ้าเผื่อว่าไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงไม่พูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่ล่อลาบด้วยลาบไม่เอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากการไม่ทำตรงนี้ นั่นคือการไม่มีมิจฉาอาชีวะแต่การมีมิจฉาอาชีวะก็คือทำตรงข้ามกันความเข้าใจเหล่านี้แต่ความเข้าใจว่าสามมาาาาัมมาวาจาเป็นอย่างไรมิจฉาวาจาเป็นอย่างไรความเข้าใจว่าสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรมิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรความเข้าใจว่าสัมมากัมมันตาเป็นอย่างไรมิจฉากัมมันตาเป็นอย่างไรความเข้าใจตรงนี้ここามมาก็เรีกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิธรรมวังสัมมากัมมันตาคืออะไรอ่ะ ก็คือเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในการนั่นแหล ะ, ละและมิชฉาการรมอันต่างก็ตรงข้ามกันคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการแต่เรามีความเข้าใจเรื่องของสัมมาทิฏฐิในองค์ของมรรคแบบต่างๆที่เป็นสัมมาอย่างไรที่เป็นมิจฉายอย่างไรแล้วทรงจิตของเราให้อยู่ในเรื่องของสัมมาเรื่องของที่ดีที่ถูกต้องอย่เช่นเรารู้แล้วว่าวาจาไม่ดีเป็นอย่างนี้วาจาดีเป็นอย่างนี้เอางั้นฉันพยายามที่จะ ตั้งสติของฉันให้อยู่ในเรื่องของสมาวาิจาแมบบางทีมันจะคิดพูดเล่นพูดเพลินพูดให้มันตลก ห, หรือพูดทิมแทงอา้าวระลึกไว้ดีอย่าพูดอย่า ง, งานัน้นแต่การที่คุณตั้งสติไว้ในการที่จะไม่ทําไม่พูดไม่ทําไม่ดีไม่พู ด, ไ ม, ไ, ม ด, ไ, มพดไม่ดีเนี่ยการที่ตั้งสติอไวนน้นั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิธรรมวังเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นทันทีในการที่เราจะเว้นจากการที่ทําชั่วแล้วก็ตั้งสติไว้ในการที่จะทําความดีให้เกิดขึ้น สติเราจะเจาะไปอย่ตรงนั้นสติเนี่ยคือการระลึกได้ระลึกถึงในเรื่องดีๆระลึกถึงในสิ่งดีระลึกถึงว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแล้วก็ละสิ่งที่ไม่ควรทําทําสิ่งที่ควรทำในการระลึกจิต ท, ที่สามารถตั้งอยู่ตรงนี้ได้ในเรียกว่าเป็นสัมม า, ส ต, ส, มาสติเพราะฉะนั้นสัมมาสติก็มาได้กับในทุกๆขณะมาได้กับในขณะที่เราพูดในขณะที่เราคิดในขณะที่เราทำงาน แล้ ม, มาด้วยกันได้แล้วในเวลาที่เราทําได้เช่นว่าตอนที่เราคันย้ยุงกัดเอา้าเห็นยุงกัดพดวกเราจะไปตีมันอย่างนี้นะเราก็อืมไม่ตีแล้วกันแต่ไม่ตีเนี่ยก็คือมีสัมมาสติเกิดขึ้นแล้วนะะเราได้แล้วว่าโ อ, โอ้ตีมันไม่ดีฆ่ายุงไม่ดีนะเราก็ไม่ทําในการที่เราเว้นขาดจาับเงินได้คืออากุศลละไปแล้วคือกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วทั้งทางกายและทั้งทางใจนะเวลาที่อากุศลธรรมละลงไป ออกไปจากใจของเราเวลาที่กูสวธรรมเกิดขึ้นมาในใจของเรานั่นคือสัมมาวยามะนั่นคือความเปลี่ยนชอบความเพียนชอบก็เกิดขึ้นหรือเราตกในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแม้อารมณ์นี้ต้องปล่อยมุกนี้ยพูดไปแล้วมันจะฮาทันทีเลยแม้แต่มุกนี้มันเป็นวาจาเพอเจอร์นะมันเป็นวาจาเสียแทงนะการที่คุณนึกได้อย่างเงี้ยระลึกได้อย่างเงี้ยนี่เป็นสัมมาสติเกิดขึ้นทันทีนะเดี๋ยวนั้นแต่พระลึกได รู้แล้วว่าถ้าพูดออกไปมันจะไม่ดีถ้าพูดออกไปมันจะตลกอยู่ก็จริงแต่แตเป็นมิจฉาวาจาเข้าข่ายเรื่องวาจาเพอเจอเรื่องวาจาหยาบเอาเราไม่พูดกันแล้วกันแล้วก็ไม่พูด ต, ตรงนั้นอากุศลธรรมก็ออกไปจากวาจาอากุศลธรรมก็ออกไปจากใจกุศลธรรมก็เกิดขึ้นทางวาจากุศลธรรมก็เกิดขึ้นทางใจตรงนั้นตรงนี้แหละคือสัมมาวายาะทันทีเกิดขึ้นทันทีทนท หรถ้าเรามีโอกาสที่จะลักขโมยหยิบฉวยของ ant, สิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนอื่นมาได้อาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นโอกาสที่ให้โกงอาจจะเป็นโอกาสที่ช่องโหว่ของกฎหมายที่ทําให้เราสามารถโกงได้แต่เรารู้ว่าสิ่งนี้คือการโกงรู้แล้วว่าการไม่โกงเป็นยังไง ร, รู้กฎหมายรู้ข้อปฏิบัติอย่างดีการรู้ตรงนี้แสดงว่าคุณมีสมาธิิละแต่คนที่มีสมาธิิอาจจะยังทําไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ยมีความเห็นที่ถูกต้อง พอมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าโอกาสมันเปิดนะ inee, โอกาสเปิดให้โกงโอกาสเปิดให้ลักโอกาสเปิดให้ช่อฉนะโอกาสเปิดให้ทําสิ่งที่ไม่ดีล่ายแล้วเนี่ยแล้วเรายังระลึกถึงว่าอ๋อไม่ดีเป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้ไอการระลึกได้ณนะจุดที่จะทํานะณนะจุดที่จะทํานั่นก็คือสัมมาสติณนะจุดที่จะทําเราระลึกได้ว่าดีเป็นยังไงไม่ดีเป็นยังไงนั่นคือสัมมาสติคือบางคนเนี่ยรู้อยู่แต่ว่าพอจะทำเนี่ยมันระลึกไม่ได้ นั่นคือสติไม่เกิดณจุดที่จะทาแต่มันไม่เกิดประโยชน์สมาธิที่นั้นมีอยู่จริงได้อยู่แต่ถ้ามันระลึกไม่ได้เนี่ยมันก็ยังทําไม่ได้แต่ถ้าระลึกได้อาจจะทําได้หรืออาจจะทําไม่ได้ก็อยู่ที่กําลังของความเพลี่ยนการทําจริงแน่จริงจะโกงอยู่แล้วแต่ระลึกไม่ได้ก็ผ่านไปก็โกงจบไปคุณก็ทําบาปไปแต่ถ้าจะโกงอยู่แล้วแล้วระลึกได้นั่นคือคุณมีสติขึ้นมามีทิฏฐิดีแล้วแล้วมีสติดีด้วยมีสติแล้ว แล้วจะละได้ไหมจะไม่ทําได้ไหมแต่ถ้าระลึกได้แล้วว่ามันไม่ดีนะเออแต่ก็ทำทำไปแล้วกันอ่าแสดงว่าแสดงว่าไม่ได้ทําจริงนไม่แน่วแน่จริงสัมมาวยามะไม่เกิดแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าดีคืออะไรไม่ดีอะไรมีสมาธิจิตจังหวะที่จะทําโอกาสเปิดให้จะโกงก็ยังระลึกได้ว่าเฮ้ยโกงเป็นอย่างนี้ไม่โกงเป็นอย่างนี้นี่มันจะโกงนี่นาเรานึกได้ระลึกได้แล้วเราก็ไม่โกงเราไม่ทําผิดเราไม่ทําชั่วเราไม่ทำบาป ไม่ทำก็แล้วกนันะนะการไม่ทำตรงนั้นแหะท่านฟังกุศลธรรมเกิดขึ้นทางใจกุศลธรรมเกิดขึ้นทางกายอากุศลธรรมออกไปจากใจอกุศลธรรมออกไปจากกายตรงนี้นคือสัมมาวายมะคือความเปลี่ยนชอบคือการทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นการทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะละอกุศลธรรมให้ออกไปจากใจมันจะตรัสายอย่างนี้พอเราทำไปทำไปอย่างนี้ท่านผู้ฟัง นะมีอกุศลธรรมลดน้อยลงมีกุศลธรรมเกิดมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเราจิตเราก็จะคลายความร้อนใจลงไปเรื่อยความร้อนใจความเศร้าใจอกุศลธรรมก็ลดลงไปลดลงไปจิตแบบนี้จะเป็นจิตที่มีความเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือเป็นสัมมาสมาธิจิตใจที่มีองค์ประกอบเจ็อย่างเหล่านี้แวดล้อมอยู่จิตใจที่มีองค์ประกอบของสมาธิ สม ishi, ัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมฐาสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะและสัมมาสติวดล้อมจิตใจแบบนี้อยู่จิตใจแบบนั้นคือสัมมาสมาธิในสมาธิคือความเป็นอารมณ์เดียวของใจเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติจากความเป็นอยู่ของเรานั่นเองจากความเป็นอยู่ที่เรามีชีวิตอยู่อย่างปกติจากความเป็นอยู่ที่เราปฏิบัติตามข้อวัดที่พรุทธเิ้ทิ้งไว้ให้อยู่อย่างดีแล้วอย่าเป็นคนสุดท้ายหนึ่ฟังอย่าเป็นคนสุดท้ายที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันนี้อย่าน้อยเราทําเป็นตัวอย่าง ให้ลูกหลานเพื่อนฝูงพ่อแม่ได้เห็นทำเป็นตัวอย่างแล้วเราบอกต่อบอกสอนให้เขาได้กระทำทำอันไหนได้มันดีตรงนั้นทำอันไหนได้มันรุ่งเรืองตรงนั้นทำอันไหนได้มันประเสริฐตรงนั้นแล้วมันไปด้วยกันทั้วังเวลาที่ทางสายนี้เราผ่านไปตรงจุดไหนมีความดีความงามเกิดขึ้นเราทําจิตใจของเราให้ประเสริฐให้ดีให้งามได้ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ระหว่างที่เราเดินตามทางนี้ไปใครที่พอจะบอกได้ ใครที่เขาจะพอจะเชื่อฟังเราจะเป็นลูกหลานจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนที่พอจะเกื้อกูลกันพอจะเชื่อฟังกันก็ให้บอกก็ให้ชักชวนเขาให้มาปฏิบัติในเส้นทางที่จะไปสู่ความประเสริฐเส้นทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์อันประเสริฐที่มีองค์ประกอบแปดอย่างเหล่านี้ธรรมนิการประชาพระมหาภัยบูนะพิพุนโนจากวัดปา่าดอนไหโซมาพูดถึงเรื่องของกัลายาณวัตรคือข้อปฏิบัติอันงามที่บระชาชทิ้งเป็นมรดกให้เราไว้ เราปฏิบัติตามทางนี้ตัวเราก็ประเสริฐก็ดีขึ้นมาครอบครัวสังคมบ้านเมืองก็จะดีขึ้นมาได้เจริญปา